พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่8เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าเลือกเกิดได้ขอแต่เรามีบุญเอาต่อนี้ไปตั้งใจฟัง อาตมาภาพจะได้กล่าวสมโมทนันยกถาป่ารบเรื่องงานวันนี้คืองานอะไรที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันณสถานที่แห่งนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดเมษายนพุทธศักราช2560วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้า สมสวรีพระวรราชาทินัดดาาศโปรดให้ทาบุญเลี้ยงพระสวดพระปริตตมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดหม่อมหลวงสรารีกิตยากรณบันหม่อมหลวงสรารีกิตยากรในเขตพระชทาน หวังเทเวศวันนี้พระสงฆ์ไดมม้มาร่วมมารวมแล้วก็สวดพระปริตามงคลคเพื่อเป็นมงคลวันเกิดปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวแต่ตอนนี้ไปอัตมาภาพจะได้กล่าวปารบเรื่องทมคำสอนของพุท ธ, ธเพื่อให้เป็นชลิปินเป็ น, ปนมงคลของงานในวันนี้ อาตมาภาพก็จะได้กล่าวสมโภชนิยกถาปารลเรื่องธรรมคาสอนของพุทธะคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพวกเราได้ศึกษาต้นต่อต้นหลักแล้วที่พระพุทธเจ้าได้หนีออกไปบวชหรือว่าทรงผนวดหรือว่าไปศึกษาเทว่าตั้งต้นใหม่ ไอตอนที่ไปศึกษาที่ตอนออกบวชน่ะตนเป็นต้นแนวความคิดนั้นเอกส่วนหนึ่งที่เป็นแนวความคิดที่พระ อ, องค์จะทรงออกจากเวียงวังไปทรงผนวดที่แม่น้าอโนมานาทีห่างจากเวียงวังยุคนี้สมัยนี้เขาวัดระยะทางว่าประมาณ200กว่ากิโลห่างจากกรุงกบิลละพัฒในจุดนี้พระ อ, องค์มีความคิดเห็น มีความเห็นอย่างไรอันนี้ก็น่าศึกษาอยู่จุดหนึ่งที่ว่าพระองค์เห็นความแก่และก็เห็นความเจ็บเห็นความตายของมวลมนุษย์ผสมในกอนและพระองค์เห็นว่าจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อพวกเราเห็นเมื่อเห็นแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้จากนั้นพระองค์จึงได้หนีออกจากเวียงวังกลางคืนจากนั้นพระองค์ได้ไปได้ทรงพรนวดอยู่ในป่า ในการทรงผนวดของพระ อ, องค์ก็ใช้เวลาถึงหปีศึกษาค้นคว้าอยู่ตามลำพังพระ อ, องค์แต่จุดนั้นพระ อ, องค์ทำอะไรไปบ้างในหปีพวกเราก็จุดที่จะพารนาพระ อ, องค์ก็ไม่ได้เขียนไว้ในตำรับตำราเพียงแต่ว่าไปบาเพ็ญอยู่ในหปีแต่หน้าศึกษาตรงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนเหเพผ่นในวันนั้นวันคืนเดือน6กแผ่นน่ะ พระองค์ได้ตัดรู้อะไรที่พระองค์จุดมุ่งหมายของพระองค์พระองค์ได้รู้เห็นรู้แจ้งเห็นรำในจุดนั้นพระองค์เห็นอะไรจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาเพราะว่าพระองค์ได้จุดนี้มาก่อนเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้จุดนี้แล้วพระองค์ยังได้บัญญัติเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องทานก็คือการอยู่ด้วยกันการทำบุญทาทานการเสียสละ การอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละเกื้อกูลหนุนกันอันนี้คือมนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละและก็ศีลคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบหรือวินัยหรือกฎหมายถ้าในพระทางพระสงฆ์นะว่าศีลและวินัยเป็นเป็นขั้นที่สองแต่ขั้นแรกที่พระองค์ได้ตดรัสรู้เนี่ยในคืนวันเดือน6เพน ในวันนั้นพระ อ, องค์ได้ตรัสรือพูดในรายละเอียดในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าวันเดือนหกเพนในวันนั้นนายโสธิยะได้ยำนำหญ้าคาเขาไปเกี่ยวหญ้าคาตัดหญ้าคาในละแวกนั้นจากนั้นเขาได้เอานำหญ้าคาผ่านมาเห็นท่านสิท ธ, ธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังคงจะไม่ไม่สบายเพราะนั่งอยู่โคลนต้นไม้ ารากโพก็เป็นรากต้นโพเก่าแก่ก็มันลอยขึ้นมาเหนือดินก็ทําให้พระองค์คงนั่งไม่สะดวกนายโสธทยากระเด็นํายาขาที่ตัวเองไปตัดมาตลอดทั้งวันมามอบให้8กดกำมือจากนั้นท่านสิทธะได้ยาคา8ปดกำมือหาทำเลที่นั่งได้ทําเลทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นได้เอายาคาเกลี่ยลงไปสี่กำมือ แล้วก็ประสานหางทางหัวไปคนล ะ, ละทางกันแล้วก็ยากเป็นทำเป็นอาชนะจากนั้นท่านก็ขึ้นไปนั่งบนอาจนะในเมื่อนั่งบนอาจนะแล้ว ท, ท่านหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะศึกษาเอาไว้ว่านี่แหะคือต้นกําเนิดของพุทธ เ, เรียกว่ากอไก่ถ้าเป็นภาษาเขาบอกกอไก่คือต้นทีแรกที่ พ, พระพุทธองค์ได้นั่งคัตสมาธิ ในโครนต้นโพยังผ้าอาทิตย์ยังไม่ตกดินของวันเดือนหกแผ่นในวันนั้นจากนั้นพระไทยความรู้สึกนึกคิดของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศน์เกิดฌานเ ก, าเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้นพระ อ, องค์ได้ตรร้ธรรมเบื้องต้นว่าปุเพนิวาสานุสติญาณลำเลึกชาติหนนหลังได้ อันนี้แหละคือคําสอนของพุท ธ, ธะจากนั้นพระ อ, องค์ระลึกชาติทวนหลังได้ว่าชาติที่แล้วมาจากไหนเป็นอย่างไรพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์มองออกไปข้างนอกมองไปดูคู่คนสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณมาจากไหนพระ อ, องค์ก็มองดูรู้ได้ว่าจุตูปะปะาแต่ยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทาไม เกิดมาแล้วไม่เหมือนกันร่างกายร่างกานเป็นอยู่ทุกอย่างาความรู้ความฉลาดความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์ความเป็นิามากมายพิกงพิการทำไมไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันพระ อ, องค์ก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงใจแต่ละตัวสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระ อ, องค์มองย้อนดูไปถึงความเป็นมาของดวงวิญญาณต่อแต่ละสรรพสัตว์พระ อ, องค์มองดูได้ว่าเป็นเพราะกรรมกรรมคือการกระทําถ้าผู้ใดทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลถ้าหากว่ากรรมดีให้ผลก็ไปทางที่ดีสุขติมีความสุขถ้าคนใดกรรมชั่วให้ผล กรรมชั่วก็จะให้ผลเป็นทุกข์พระ อ, องค์จึงได้เมื่อได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านให้โอวาทปฏิโมกต่อภิกษุทั้งหลายว่าอากตังดุกตังเสโยปัชชาตปฏิดุกตังยยกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พระ อ, องค์ก็ได้ตัดเป็นพระบาลี พอถึงจวนสว่างพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสำโพธิยานว่าใจดวงนี้มาจากไหนมาเกิดพระ อ, องค์ย้อนดูพระไทยใจของพระ อ, องค์เองว่ามาจากไหนเกิดมาจากไหนใจดวงนี้มาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาคือตัวโง่ อ, อ, อวิชชาปัจจะยาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโศกผลิเทวทุกขโทมานัตสุ ใจดวงนี้เกิดมาจากตัววิชาคือตัวไม่รู้ตัวหลงไม่เลยจากนั้นไปจากนั้นทําให้เวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรพระ อ, องค์ก็มองดูแล้วเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะจากนั้นพระ อ, องค์จึงใช้ตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญากลั่นกรองไตรตรองด้วยด้วยธรรมจากนั้นชําละพัยใจของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนัน พระ อ, องค์ประกาศได้แล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอ น, นันตการอันนี้คือแนวแถวของพุท ธ, ธะที่เรามาย้อนว่าเราจะยึดตรงไหนเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านทั้งหลายที่จะยึดพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นตัวอย่างจะยึดที่ตรงไหนยึดตรงที่พระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิเบื้องแรกที่พระ อ, องค์นั่งเกลีย์ย่าคาลง ยึดค่าด้านและสี่กำ ม, มือประสานยากขาให้เป็นที่เป็นอาชนะจากนั้นพระองค์ขึ้นไปนั่งบนอาชนะหันพระพักหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นพระอ ง, งะ ค, ค์ดำรงสติเฉพาะหน้าคานี้แหละคำว่าดารงสติเฉพาะหน้าไม่ให้จิตใจคิดไปในทางอื่นอย่าไปคิดปรุงไปในอดีตอย่าไปคิดไปในอนาคต ให้ใจอยู่ในปัจจุบันนะขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ที่ปลายที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละจิตวาจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งจิตใจเน่งจิตใจรวมแล้วว่าเป็นสมาธิท่นได้มานึกแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านไน้นำสั่งสอนสิทธิอนุสิตของท่านที่อาตมาภาพไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ อ่าหลายๆองค์หลายๆรุ่นเพราะว่าอาตมาภาพเนี่ยบวชมาตั้งแต่ปีสองพันห้เป็นสัมมนเนรกึ่งพุทธการจากนั้นก็ได้บวชปี08ถ้์แ่ารวมทั้งสัมมนเนรทั้งพระด้วยชีวิตของนักพจนนักบวชของหลวงพ่อใช้เวลาบวชใน พ, พุทธศาสนาเป็นเวลาทั้งหกสิบปีเป็นสัมมนเนร8เป็นพระ52เพระาะนั้นอาตมาทัน หลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆรุ่นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเกือบจะว่าท่านเกือบทุกองแต่เข้าไปศึกษากับท่านแต่และองค์ท่านก็มีแต่พูดว่าให้ภาวนาพุทโธตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่าว่าบริกรรมกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเหมือนพระพุทธเจ้ามันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่าย เพราะนั้นให้สำทับกับพุทธโธเขาด้วยคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ว่าอนุสติมีอยู่สิบ พ, พุทธานุสติธรรมมาสังขารศิลาจาคาเทวตาอานาปานสติแต่องค์หลวงปู่มั่นท่านเอาพุทธานุสติกับอาณาปานสติพนวกกันให้เป็นสองกรรมฐานแต่ให้พวกลูกศิษยานุสิษย์ทั้งหลายภาวนาเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทธ หายใจออกบริกรรมโทอยาให้จิตใจไปข้างนอกถ้ามันเผลอไปให้ดึงเอากลับมาให้อยู่ในปลายจมูกแต่เวลาเรานั่งภาวนาทีแรกเราหายใจไม่รู้ว่าหายใจมันเข้าออกอย่างไรเพราะเราไม่เคยท่านบอกว่าให้ให้หายใจแรงๆสือหายใจเข้าแรางๆแล้วก็แทกออกลมออกแรงๆสักสองสามครั้งเมื่อเมื่อลมเข้าออกรู้ว่าลมเข้าออกที่ไหน มันกาคทอบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นในเมื่อจับอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาลมเข้าไปในปอดไม่ต้องตามลมเข้าไปเวลาตามเวลาลมออกไปข้างนอกไม่ต้องตามลมออกไปให้มีสติอยู่ที่ปลายจมกูกท่านอุปมาอุปไมยให้ฟังชัดเจนว่าเหมือนกับเราอยู่ยืนอยู่ข้างประตูเมื่อคนเข้ามาในบ้านก็ไม่ตม้องไม่ต้องตามคนเข้ามา เวลาคนออกไปข้างนอกก็ไม่ตั้งไม่ต้องตามคนออกไปเพียงแต่รู้ว่าคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกให้โอสติจับอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นใจของเราจะรวมสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมาคือจิตใจเป็นคนละอันเห็นได้ชัด ความรู้สึกเนึกคิดนะคือนามธรรมาร่างกายของเราคือรูปธรรมรูปธรรมกับนามธรรมาอาศัยกันอยู่เป็นสองอย่างในเมื่อคนแตกตายสลายสู่ดิดนน้ำหลงไปคือตัวรูปธรรมแตกตายสลายแต่นามธรรมาออกจากร่างไปอนมาภาพเลยเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดว่ารูปธรรมเหมือนกับรถนามธรรมาเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถ ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่อาศัยกันเพราะนั้นคนที่แต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านในความสำคัญเรื่องของโซเฟอร์รถมากกว่ารถท่านจงให้สำทับพระบาลีเป็นพุทธภาษิตว่ามโนปุพังคามาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้ว้วยใจ สรุปแล้วคือท่านให้ความสำคัญเรื่องโซฟาเฟอร์มากกว่ารถรถถึงขาวมาแล้วก็ต้องไปตุไปตุไปสู่ตามสภาพของมัน เ, เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดในหลักของพุท ธ, ธแต่ส่วนนา ม, มาธรรมเน่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญท่านจึงให้อบรมทางด้านจิตใจเอาคุนธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจเมื่อจิตใจของเราได้รับคุนธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้ว เราออกจากภพนี้ชาตินี้เราก็ไปสู่สุกติภูมิจะไปเกิดที่ไหนเราเลือกเลือกเกิดได้ทั้งนั้นเพราะเรามีบุญเหมือนกับคนมีเงินถ้าคนมีเงินไปนสถานที่ใดไปรื้อซื้อสินค้าสปปรรพสินค้าใดๆก็เลือกซื้อสินค้าได้นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล เข้าสู่จิตใจของพวกเราเอาไว้เพราะพวกเราเกิดมาในโลกนี้ในหลักของพุท ธ, ธะและท่านก็บอกว่าคืออันเนสง่งบาปบุญคุณโทษที่เราได้ทําไว้ในอดีตแต่ชาติก็มีในปัจจุบันในชาตินี้ก็มีที่ให้เราได้รับความสุขสุขกายสุขใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนา ในพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาในจุดนี้ถ้าเราพวกเราศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ น, นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่กายกับใจใจกับกายเมื่อเราจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครการกล่าว สำโมธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพร ะ, ะศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพพระสยามเทวาธิราชอนุภาพพ่อแม่บุญบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายด้วยอนุภาพบุญบา ร, รมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อูที่บรอ ม, มโกดที่พระองค์สวรรคารายไปแล้วบุญพระองค์บุญบา ร, รมีของพระองค์ท่วมท้นในปวงชนชาวไทยขอให้มาคุ้มครองพวกเราประผศนิกอนคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านด้วยเทิน